เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่ส5ห้าตอนอัฏกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่เจเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงศุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยโอริยะคุณพุทธธรรมชมรมพลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณทิตาพาวรพันธ์คุณกฤษณาพโลปกรณคุณกฤชพรวันนิจสันคุณทนายยวงสุวรรณ คุณดวงใจเด็ดคลังคุณปุญญุท์ครอบครัวอินทนินและครอบครัวคงมีพระธะรรมปทกถาแปล ى, ภาคที่7เรื่องบุตรนายโคคาตได้เป็นพระอริยะพระบุตริดาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารอบบุตรของนายโคคาตคนหนึ่งดังได้สดับมา นายโคคาดในนครสวรีมีอาชีพข้าโคขายและปิ้งยางกินเลี้ยงชีวิตเขาทำอยู่ตลอดห5ปีไม่เคยได้ทำบุญแม่ข้าวทัพพีหนึ่งเขาเว้นเสียจากเนื้อโคเขายอมไม่บริโภคอาหารวันหนึ่งเขาขายเนื้อแล้วเหลือเนื้อก้อนหนึ่งกลับมาให้ภริยาปรุงอาหาร เย็นวันนั้นสหายของเขามาบ้านขอเนื้อเอาไปปรุงอาหารภริยาของเขาว่าเหลือเนื้อไว้สำหรับสามีเท่านั้นแต่สหายของสามีได้ถือเอาเนื้อนั้นไปแล้วเขากลับมาไม่มีเนื้อเป็นอาหารมื้อเย็นคว้ามีดลงเรือนไปที่ค้อคลวงเอาที่ปากโคดึงลิ้นเชื้อออกมาชิ้นหนึ่งแล้วให้ภริยาปิ้งเขาหยิบชิ้นเนื้อใส่ปากพอชิ้นเนื้อกระทบ ลิ้นของเขาได้ขาดตกลงที่จานข้าวเขาร้องเหมือนโคเที่ยวคลานไปมีเลือดไหลออกจากปากบุตรของนายโคคาดยืนลาดูบิดามารดาพูดกับเขาให้หนีไปเขาไหว้มารดาแล้วหนีไปยังนครตักกศิลานายโคคาดนั้นทำกาละตายแล้วเกิดในเอเวจีมหานรก ฝ่ายบุตรนายโคคาดเรียนวิชาช่างทองเครื่องประดับเป็นคนมีฝีมืออาจารย์เมตตาจึงได้ให้ทิดาแก่เขาเขาเจริญด้วยบุตรทิดาแล้วกลับไปนครสาวัตถีบุตรทิดานั้นเมื่อบิดาแก่ชราปรึกษากันแล้วทำบุญให้บิดาของตนถวายพัฒตาแด่ภิกษุสงฆ์มีพระศ ส, สดาเป็นประมุขพระศ ส, สดาตรัสว่าอุบาสก ท่านเป็นคนแก่มีกายแก่งอมดุจใบไม้เหลืองสเสบียงเดินทางคือกุศลเพื่อไปอยังปรโลกหน้าของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งเถิดทรงทำอนุโมทนาแล้วตรัสพระคาถาว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองอันหนึ่งทูตของพระยายมราชคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อม แม้สเสบียงเดินทางก็ยังไม่มีจงทาที่พึ่งแก่ตนจงรีเพียรพยายามบัณฑิตกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินขวางจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ในการจบเทศนาอุบาสกตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้ว เทศนาได้มีประโยชน์แก่หมู่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละในภายหลังต่อมาอีกบุท ธ, ธิดาทั้งหลายได้ถวายพัฒหารแดบภิกษุสงฆ์เพื่อบิดาของตนอีกรันประศ ส, สดาทำรรอนุโมทนาอุบาสกนั้นก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผลดังนี้แหละ